สักครู่มีคนเดินออกมาเราได้ลองพฤติการทั้งปู่ให้เขาทราบเราคิดจะขอค่าโกฉันโดยตรงก็ครูจะไม่ได้ฉันข้าวเลยแล้วก็เจ็บเท้าจะไปบิณฑบาตก็ไม่ได้เราอยู่ณที่นี้จะได้ฉัน แล้วก็พากันลงอาบน้ําพอลงอาบน้ําแล้วขึ้นมาเท่านั้นแหละแม่อุ้ยแผลที่เท้าเจ็บเดินไม่ได้เลยเมื่อ ติดทุ่งหญ้าไปด้วยช่วยกัน อาคิก็ไปหาตัดยอดตองอ่อนมารีบขายบุหรี่กินพอท่านอ่อนศรีมารายงานแล้วเราให้ พอท่านเจ็บใหญ่เจ็บจนเราเนื้อแข็งตึงเลยเราพัก 3 กิโลเมตรจึงถึงอีก 11 คืนจึงได้ ยินมันมีคนมาบอกว่าเราได้ทราบข่าวดีมีคนมาบอกว่าท่านอาจารย์มันอยู่ที่ป่าเมียงแม่ปังท่านอาจารย์ และๆพอสมควรแล้วสมควรแล้วชั้นเช้าแล้วท่านแนะถามให้พวกเรา 2 คน เรียกที่เราเลยแล้วท่านพักเดินจุกรมเดินเข้าท่านพวกเราปรุงเครื่องบริการไว้ข้างนอกท่านไม่ยอมท่านให้เอาเข้าไป ให้ท่านอาจารย์ได้ช่วยแก้อุบายภาวนาให้เพราะกระผมได้คิดและทุกประการเริ่มต้นแต่ได้ปฏิบัติมา ให้เราทบทวนดูหมู่เพื่อนที่ท่านอบรมมาว่าถ้าองค์ไหนดําเนิน เพียงพิจารณาในกายขาตามให้ละเอียดจิตใจก็ไม่ค่อยจะปราบปรุงการพิจารณาอย่าให้ เรื่องนั้นจริงๆตลอดอิริยบททั้ง 4 แล้วก็ วันสา 12 จำสาที่ป่าเมียงแม่ปัง 2477 โพธนเราพระเทศเทพรังสีนึก ผิดถูกเราทําตามท่านสอนคอยท่านเป็นผู้ดูแลและชี้ขาดแต่เดือนซึ่งใน โดยไม่มีความเบื่อหน่ายใจของเราว่าทุกสิ่งแต่ว่าเป็นท่าสีเท่านั้นแต่ และเราเดินถูกทางแล้วเชื่อมั่นในใจตัวเองว่าเราเดินถูกทาง ออกพรรษาแล้วท่านอาจารย์มันลงมาที่บ้านทุ่งหมากข้าวเรา 2 คนกับพระอ่อน เสือสีร้องฮูและกระโดดเข้าป่าไปท่านเอ๊ะอุบาย จักจะไม่ขอชัดเจนเสียแล้วนี่เห็น 300 เซนก็ พักรุกหมู่นแห่งหนึ่งขึ้นวันนั้นได้ยินสิงเสือร้องบน พักอยู่ณที่นั้น 2 คืนแล้วอุดเดินทางต่อไปพบท่าน เกิดวิปลาสนเราประเทศเทพรังสิได้ปรารภความเพียงยศุความสามารถ พระสงฆ์ก็เช่นเดียวกัน ความสมมุติบัญญัติแล้วเอ๊ะนี่มันไม่ตรงกันดีความเห็นของ เราไปแสวงหาบริการให้สมบูรณ์แล้วจึง ตรงกปีพุทธศักราช 2478 เมื่อตนเจ็บสะบงเราจึงได้ขึ้นไปใหม่แต่ไปคราวนี้โอ้โหบึงตน ไปทะนาติดเดียวเรานึกว่าพูดไม่รู้ภาษากันจากนั่งลงนอน ทำซุกปลอกเหมือนสาบไม่ทราบว่าอะไรต่ออะไร ก็ยังพากันเดินเป็นกลุ่มสนุกอยู่เลยทีหลังทําหรือประนมมือก็ได้บุญดอกคราวนี้เมื่อเห็นเราออก คนบ้านป่าไกลความเจริญแต่ซื่อสัตย์สุจริตไม่มีใคร ก็ต้องหนีจากแกไปส่วนการขโมยรับรองไม่มี หมู่บ้านที่เราไปอาศัยอยู่นี้มี 12 หลังคาเรือนมี เราเกิดสงสารเขาพอดีสงสารจึงบอกเขาว่าพอดีเราคุโชกมันมะนิงอยู่แล้วจึงบอกกับว่าฉันเราเต็มบาดทุกวันทุกเร ตามมาดูถึงที่เลยเราได้แล้วก็ตั้งใจจัดให้เขาเห็นแม้ปีนั้นปลูกข้าว เป็นพระคุณของเขาที่ทําวัดให้เราข้าวได้ขิวกจีงามทันหูทัน see藤 codars of nécess jal each other at the outset. We wentißar unaware perspective of moral in the past. We resonated much and XXLV through the fight for 19 living in v.ix. We chose to believe Tolkien inatiques that han där. I've also seen a super Спасибоισ iba is to not pick about any people at our time. I'm the only person who came from, pieces been told that統領 is complete เรเราก็จะยอมทุกๆวิธีทางชีวิตนี้ของเราขอให้เป็นเหมือน เพื่อให้สะสมเจตจตนาของเราจึงได้ทรมานตนด้วยการอด ก็แท้จริงกลับไปท่านการอดอาหารมียถังให้ มันเป็นเพียงเครื่องทรมานกายเท่านั้นเป็นเพียงแต่นี่ทรมานกายเท่านั้น เมื่อเราได้ความจริงด้วยตนเองแล้วเราก็กลับทัน หมู่เซอคุยโม้อูราว่าตุเจ้ามาอยู่ด้วยดีเป็นรายได้ประเภทหนึ่งนอกนี้แล้วไม่มีรายได้อะไรเลยเงินไพ่ทั่วเบียร์เราก็ไม่เล่นก็ หรือพวกชาวเมืองคำว่ารอให้เราเล่นบัดนี้เราฟังคำตู้เจ้าสอน ได้บอกกับเขาไปว่าให้ไปหาอาจารย์ดูก่อนบางทีอาจจะได้กลับ ทันษา 14 ธรรมษาที่เดิม 3 องค์ด้วยกันตรงกับปี 2479 การกลับอีกครั้ง เมื่อไปถูกกับอากาศเย็นเข้าอาพาธของท่านก็กำเริบแทบจะ ท่านอาจารย์มั่นอยู่องค์เดียวไปวิเวกปรารภความเพียรอย่างเดี่ยว พันสาดีท่านอาจารย์มันได้นานาตามลิมิตและความรู้ สำหรับเหล่านั้นตั้งตัวเป็นกลางเฉยๆเพราะเรื่องเหล่านั้นเป็น ถูกต้องตามอุบาลนั้นๆของท่านทุปรการจนท่านอกุธังเผยว่าท่านเทพนี้ใจร้อนแล้วท่านแสดงนิสัยตามความจริง ถึงแม้ท่านจะอํานวยพรให้เราอยู่ ในพรรษานี้มีคนป่าซึ่งเรียกกันว่าผีตอง เมืองรวมซึ่งอยู่เหนือชิงตงขึ้นไปสำเนียงคำพูดภาษา มาผ่ายหลังเกิดไข้ทรพิษตายเดี๋ยวนี้มีหญิงชายรวม 30 คนพอจะสรุปเรื่องของเขาดังนี้ความเป็นอยู่ไม่ ผ้านุ่งผมไม่มีที่ไปขอมาได้ไหวปกปิดกาย ผู้หญิงเห็นผู้อื่นนอกจากบู่ของคือพอ อาหารการกินอยู่ได้ด้วยเช่นงูเป็นต้นเป็นต้นแล้วก็กินสุกีเผาแล้วจึงกิน ตีกะผินที่เรียกว่าเหล็กไฟพรานหรือมิฉะนั้นก็ พอหิงสัตว์หนวดกลางวันเข้าใกล้แล้วก็จะปุ่งหอกใส่เลยถ้าเห็น 20 30 เมตรก็ได้ 1 นิ้วฟุตแล้วเนื้อสัตว์เป็นพิษ เขาคือเอาให้เราด้วยอย่างเหม็นเขียวฟันใฝ่ โดยไม่ยอมออกมาให้คนเห็นโดยมากหากจะออกมาก็จะมาขอที่ว่าห้ามเดินผ่าน พวกเขาเหล่านี้จะไม่เดินเข้าไปก้ำกรายเลยไร่เจ้าว่างทางแสนจะกันดาลเขาก็ต้องเห็นทั้งๆที่ไม่มีใครห้ามเขานี่แสดงถึงคนเก่าเท่าแก่เขาคงจะหลอกลวงไว้ไม่ให้ออกไปในที่โล่งกลัวคนจะเห็นเอาไอ้นั่นเองและที่ว่าผู้หญิงเห็นคนเข้าแล้งจะต้องถูกเสือกินก็เหมือนกันการทํามาขอกิน เขากินจนหมดไม่มีเหลือเราบอกให้เขาเอาไปปันผู้หญิงกินเองเดินไปช้าตัวอยู่ เรามองตามทันไม่ทันเช่นธรรมดาสามัญของคน <R ess tragedy> หญิงใดชอบรักก็จะไปนอนเป็นคู่เคียงด้วย คิดอยากส่งเคราะเขาให้มีอาชีพเป็นหลักแหล่งอย่างน้อย บริพูคเข้าพูดแลผักมันตลอดถึงพริกเกลือก็ดีรู้สึกอย่าง จึงกับพูดดังนั้นโครงการของ คือผู้ที่เกิดมาแล้วผู้ที่เกิดมาแล้วได้รับความสมบูรณ์ เป็นศานีนอกจากท่านอาจารย์มั่นพยากรสิ่งต่างๆแล้วยังปรารภว่าท่านยังมีภาระ ไปปู่น้อยเราได้ชี้ท่านเห็นว่าดูแต่ ให้ส่วนกันจะกลับทางไหนอาจารย์กลับทางนั้นส่วนการจะกลับทางไหนเค้ายอมยินดีรับภาระ หลังจบพันษาแล้วท่านได้กลับลงมาทางอำเภอพราว อาจารย์ขาวกลับขึ้นมาหาเราอีกแล้วท่านก็ปรารภในการ และอาจารย์ขาวกลับลงมาอำเภอพราวท่านอาจารย์มันกับท่านมนูเลยลูกหนึ่ง กิเลสมิกิเลสใต้สำนึก นั่นกล่าวคืออะไรกล่าวคือเมื่อเราประเทศที่ฝรั่งเศสแยกจากท่านออนซีไปอยู่องค์เดียว เขาออกไปทํางานเห็นนั่งตรงโบงดักหน้าอยู่แล้วก็มีเขาเห็นแล้วก็พากันวิ่งหนีแต่มันก็แต่เราก็หาได้รู้ตัวเลยว่ามันกลัวเสือเหงื่อเปียกโชกไปหมดทั้งตัวเอ๊ะนี่อะไร ลงมาผ้าห่มออกดูก็ยังสั่นเทาอยู่ เรายอมสละความตายแล้วไม่ใช่หรือจึงได้มาอยู่ณที่นี้เสือกับคนก็คลอนท่าสีเหมือนกัน แล้วมันเกิดสิงออกมาเท่านั้นนิสัย จริงยากที่จะก็จะเอาชนะกิเลสไม่ได้เลยได้ถ้าหาไม่ยอมสละ ในจุมระยะที่เรากําลังทําความเพียรด้วยความกล้า เราได้เห็นเขาแล้วเขาก็ได้อุปถัมภ์เราด้วยเจตนา ผู้มีชีวิตเนื่องด้วยคนอื่น 10 ปี แต่หาได้มีความใคร่กำหนดอะไรใหม่เราตกใจออกจาก ผู้มีปัญญาแต่ขาดศรัทธาความเพียรและความอดทนกล้าหาญก็ไม่สามารถจะค้นป่า นั่นแหละจึงสามารถกระจัดกิเลสอนุสัยให้หมดสิ้นไปได้เหล่า ก็เลยถึงเอาสงสารจริงเป็นจังว่าเคยเป็นบุพเพเสน่หาสนิวาตะชาติก่อนแล้ว เรื่องในตำนานนี้นักภาวนาโดยเฉพาะพระ กลับไปมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ค่าเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเสียดายพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ย่อมตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดอีกนับคือเรื่องคือมี ก็เคารพนักศึกษาเรามากและเราก็ได้ส่งเคราะแล้วเราแต่เหตุการณ์หาได้เป็นอย่างนั้นใหม่เขากลับเราบังเอิญไป จากนั้นมาตัวเขาเองทั้งเคารพและละอายเรามากเรา ก็เคยอย่างนั้นเบื่อหน่ายแบบนี้ซึ่ง มีวาปุนั้นเกมิศลธรรมหรือเป็นอัฐฐานแม้แต่ท่านผู้ดิถานสัมมาบัติ จึงน่าตำหนิตูกามอย่างยิ่งๆทั้งนั้นแล้วเกิดสงสารผู้ ของผู้ต้องการความเจริญก้าวหน้าทางด้านจิตใจเป็นสนามต่อสู้ของผู้ต้องการชิงชัยก็ได้หรืออาจจะเป็นหลุม ก็หาประยะประยะยักต์ไม่ได้รากยามีหมอก็มีแต่คุณไข้ไม่ยมรักษาหรือรับประธานยาโรกก็ไม่หายผู้เห็นกุนในกรรม vielä เผลิด��zet อยู่ในการอดλο aíรีกว่า กรรมกุนผู้ได้รับพิสมของการอดกลรม ทีหลังเราประเทศได้กลับมาอยู่ที่เดิมปรีดิ์ท่านอ่อนสีไปอยู่ที่เราอยู่คราวนี้เราได้ประจนภัยกับเสืออย่างจังเลยคือ เรา 2 คนอยู่บำเพ็ญเพียรณที่แล้วก็ยามไปตามหมู่บ้านหมู่เซอซึ่งอยู่ตามทางนั้นโดนลำดําเมื่อปลูกสถาปภาษาธะเขาพอสมควรแก่เวลา พ.ศ. 2535 จมัสสาที่บ้าน 2480 บ้านโป่งเป็นสำนักที่ เข้าธรรมธัมโมได้พอคืออาจารย์บุญธรรม 1 พระเครือง 1 พระเมืองเลย 1 ในหมู่นั้น เป็นผู้เคร่งขณะที่เราเทศอบรมอยู่นั้นทุดงฝ่าเพื่อนเป็น ให้เพื่อนสักถามความคงใจและออกความคิดเห็นต่าง แต่ยังปวารณาไม่เป็นทั้ง 2 ท่านนี้จะตามไปรู้เรื่อง โดยท่านสําคัญตัวว่าท่านมีความ มาหาพวกเราอีกท่านอาจารย์บุญธรรมได้ฟังธรรมเทศนาของท่านอาจารย์มั่นแล้วนั่นแหละกลับตะละปัดตรงกันข้ามเลยคือ โดญาติและลูกศิษย์ไม่มีใครได้ปฏิบัติรับใช้ส่วนเรา พอไปถึงเราได้ให้พระเครื่องอยู่เฝ้าเขาส่วนเราได้ขึ้นไปหาที่พักเขามีผู้หญิงคนหนึ่งเดินได้ เรื่องนี้เราเข้าใจดีแล้วตั้งแต่เมื่อเธอมาอยู่ด้วยเราครั้งแรก โถถนนจุดถึงแต่เธอไม่ยอมรับกุฏิเรา ตอนเช้าเมื่อฉันเช้าอยู่เธอแสดงความโกรธให้เราด้วย หลังจากนั้นมาตนนั้นมาราว 3 เดือนได้เจอเธออีกเราได้ชักชวนให้เธอเริ่มต้นเธอก็ไม่ยอมภายหลังทราบ เคยเป็นนักเลงโตมาเช่นปรัตตวิชารู้จักวารกิจ บางท่านปฏิบัติเอาจนจิตละเอียดบริสุทธิ์สักเท่าไหร่เท่าไหร่อภิญญาไม่เกิดเลยสักอย่างก็มี ฤทธิ์มีฉะนั้นก็เหมือนกับอยู่ใต้บาดาล พ.ศ. 2536 จำปาสาดีบ้านหนองดูอำเภอปากบ่องจังหวัดลําพูน ตามที่ชาวบ้านว่าท่านขลังพอดูเหมือนกันไม่เข้าตีไม่แตกคนแถบนั้นเมื่อ จะแก้แขนเอาให้ตายหมดทั้งบ้านผู้ชา ของพระพุทธเจ้าอย่างมหัศจรรย์เลยเกิดความลืมไสโยมพิมพ์เมื่อครั้งเป็นพระญาณดิโลก มีพระปณัดทองสุขเป็นรองสมภารในพรรษาด้วยในพรรษานี้เราได้อบรมประชาชน